ดูจะเต็มไปด้วยผู้คนต่างคนก็วุ่นวายต่างคนก็ติ้นร้อนไม่เคยจะมีคนสนใจกันและกัน คงไม่้ายเกินที่เราจะช่วยกันต่อเติมสัมพันธ์สร้างรอยยิ้มขึ้นในใจ